รู้สึกตายก่อนตายแล้วก็ไม่กลัวตายเลยความรู้สึกตายก่อนตายคือไม่กลัวตายเลยมันจะตายก็ตายไปแต่เหตุที่ไม่กลัวตายก็เพราะว่าไปเป็นใจผู้รู้เสร็จแล้วเป็นใจผู้รู้ตัวเราที่ตินความปรุงแต่งแล้วเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นใจที่เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขาตถาตเป็นธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แล้วหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาล ที่ปล่อยให้สังขารมันค่อยๆดับไปตอนเราจะนอนหลับทุกวันเนี่ยทุกขณะปัจจุบันที่เรานอ น, อนหลับอยู่ในขณะปัจจุบันที่นาไม่ได้ก็ไปที่นาตอนตายตอนที่เราจะหลับกับตอนจะตายก็เหมือนกันตอนเราจะนอนหลับเนี่ยก็เนี่ยค่อยๆปล่อยวางสังขารทั้งบนไปเรื่อยๆสังขารร่างกายก็คือลมหายใจที่เคลื่อนไหว สังขารจิตหรือจิตตสังขารก็คือความคิดและความรู้สึกตัวที่ยังมีอยู่มีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วพอจะหลับเนี่ยสังเกตไหมให้ดีๆปล่อยวางไปเรื่อยๆไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยหยุดเพ่งหยุดกําหนดหยุดพิจรารณาปล่อยวางพร้อมปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางสังขารไปทั้งหมดปล่อยวางสังขารกายก็คือเห็นลมหายใจเข้าออกมันค่อยๆ อ, อ, อ่อนแรงอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆ มันจะหลับแล้วมันจะเบอร์เบอร์เบเบความรู้สึกตัวก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปค่อยๆเบอร์เบอร์เบอร์เอร์รือนเรือนเรือนเือนไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวก็ค่อยๆจะหมดแล้วความคิดนึกตึกตองปรุงแต่งก็ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปก็ค่อยจะหมดแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วก็ปล่อยมันดับไปเนี่ยดับไปคาตาคาใจเนี่ยแน่พอมันจะดับแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วไม่ยึดอะไรไม่ห่วงอะไรไม่กังวลอะไรไม่เอาอะไรเลย ปล่อยมันค่อยๆดับไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็หลับบึ้บไปคือหมดความรู้สึกตัวหมดความคิดไปคือความรู้สึกตัวมันหมดแล้วสติสัมปชัญญะมันก็ดับไปเลยมันไม่สติสัมปชัญญะเป็นขันห้ามมันก็ดับพร้อมมันก็เลยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรมีอารมณ์อะไรมีอาการใดๆไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปหลับไปเลยตอนตายก็แบบเดียวกันตอนจะตายก็แบบเดียวกัน ถ้าเราซ้อมไว้เสมอตอนหลับอ่ตอนจะหลับนอนเนี่ยว่าการหลับตาลงครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งท้ายและอาจจะไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกเลยก็เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมปล่อยวางทุกอย่างไม่เอาใจาไปเกาะเกี่ยวพัวพันไปห่วงใ ย, ยสิ่งใดอีกต่อไปเพราะการหลับตาลงครั้งนี้อาจจะเป็นการหลับตาลงเป็นครั้งสุดท้าย ทุกครั้งที่นอนหลับต้องให้พิจนาอย่างนี้ปล่อยวางอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ห่วงไม่ห่วงใ ย, ยอะไรไม่กังวลใดๆไม่เกาะเกี่ยวขัวพันสิ่งใดปล่อยวางพร้อมไม่ว่าลูกผัวลูกเมียก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้แบกหามไปไม่ได้ ทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งหลานทั้งสมบัติประฐานบ้านช่องตำแหน่งลาบยศก็ไม่อาจจะเอาไปได้ต่อไปแล้วบัดนี้หมดเวลาแล้วสิ้นสมมติแล้วละครชีวิตถึงอวสารแล้วใกอาอาาล้อวสารแล้วการหลับของเราครั้งนี้ก็คือการดับเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะไม่ได้ลื่มตาขึ้นมาอีกเลยอ่านใจตัวเองให้ขาดทุกขณะปัจจุบันสอนใจตัวเองอย่างนี้ตลอดเวลาว่าละครชีวิต ใกล้ถึงบทอาวาสานแล้วความที่เล่นเป็นตัวแสดงว่าชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดเป็นลูกของคนนี้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ทําหน้าที่การงานอย่างนี้มีตําแหน่งลาบจดอย่างนี้มีมีคนนี้เป็นสามีมีคนนี้เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่พี่น้องนี่มันเป็นการแสดงละครชีวิตอยู่ชั่วขณะหนึ่งว่าเราแสดงเป็นตัวอะไรมีชื่อเสียงอะไรมีนามสกุลว่าอย่างไรเป็นพ่อแม่ หรือว่าเป็นลูกของใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรนี่เป็นการแสดงละครชีวิตแท้ๆเป็นการแสดงละครชีวิตแต่ละครชีวิตทุกชีวิตก็ต้องถึงบทอาวสารสิ้นสมมติละครเรื่องนี้ก็จบลงเพราะมันเป็นการสมมุติมาให้แสดงละครชีวิต เสร็จแล้วก็สิ้นอวสานคนชื่อ น, นี้นามสกุลนี้ลูกข่าหน้าตาแบบนี้สิ้นส ม, มุติความเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานสิ้นส ม, มุติในตําแหน่งหน้าที่การงานทั้งหมดก็เขาก็ให้ไปของคนอื่นไปละครชีวิตใกล้จะดับลงแล้วใกล้จะจบลงแล้วไ ม, ไม่ยึดถืออะไรไม่เอาอะไรไปได้ไม่อาจจะยึดถืออะไรไม่อาจจะแบกหามอะไรไปได้ ไม่อาจจะแบกหัวแบกเนี้แบกลูกแบบหลานแบกสมบัติมาตรฐานบ้านช่องแบกตำแหน่งลาบยศไปได้เลยทุกอย่างจบแล้วถึงการอวาสานแล้วทุกครั้งที่หลับตาอย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้จนกระทั่งรู้สึกออกมาจากใจจริงๆใจก็สิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นใดๆก็กลายเป็นใจที่สิ้นยึดมั่นถือมั่นใจที่สิ้นยึดมั่นถือมั่นแน่คือใจที่สิ้นก็สิ้นตัวตน สิ้นความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะสิ้นปุงแต่งสิ้นยึดถือก็สิ้นความเป็นตัวเป็นตนสิ้นยึดถือก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกเขาเรียกว่านิพพานซ้อมอยู่เป็นประจำตอนนี้มันไม่ใช่เวลานอนเรานอนกลางวันหรือนั่งพักก็หลับตาลงแล้วก็ซ้อมมันเป็นแบบนี้ทั้งวันน้นมันถี่ขึ้นจนกระทั่งมันถึงใจคือตายก่อนตายซ้อมตายก่อนตายจนมันถึงใจเนี่ยถึงใจถึงพระนิพพาน ซ้อมจนถึงใจน่ถึงใจถึงกุิพาคือว่าตายก่อนตายจนถึงใจมันจะตายเมื่อไหร่คือจะหลับตาลงซ้อมหลับตาลงทุกขณะปัจจุบันหลับตาลงเรื่อยๆซ้อมเรื่อยๆต่อวันเนี่ยก็ซ้อมไม่ทีขึ้นว่าการหลับตาลงครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกเลยความเป็นสมมุติตัวตนของเราชื่อเสียงนามสกุลของเราเป็น สามีความสมมติเป็นสามีของคนนี้เป็นภรรายาของคนนี้เป็นลูกของคนนี้เป็นญาติพี่น้องของคนนี้มีลูกมีหลานชื่อว่าอย่างนี้มันจะสิ้นสมมติแล้วการแสดงละครชีวิตเรื่องนี้จะจบลงแล้วมันจบทั้งตัวเราแล้วจบคนทั้งสมมุติกับเราทั้งหมดสิ้นตายแล้วก็ต่างคนต่างไปก็จัดกระจายไปสมบัติของโลกที่ดินทั้งหลายก็เป็นแค่ผิวโลกเป็นสมบัติผัดกันชม สมบัติประสานบ้านช่องก็เป็นของคนอื่นไปหลวงตาเห็นนะมาสมัยก่อนเนี่บ้านหลังใหญ่ๆเคยอยู่กันเต็มบ้านหมดลูกหลานสมบัติประสานเพราะว่าเจ้าของบ้านมีเงินก็มีสมบัติประสานบ้านช่องลูกหลานก็เข้ามาเล่นเยอะแต่บัดเนี้ยลวงตาเห็นไปแล้วหล่ยเห็นหลายบ้านแล้วบัดนี้บ้านนั้นเป็นบ้านล้างแล้วคนในบ้านนั้นก็ตายไปหมดแล้ว คนที่เหลือก็ไม่กลับมาอยู่บ้านนั้นแล้วบ้านนั้นเคยมีคนอยู่มากมายเข้าเข้าออกมีลูกมีหลานมีสามีพ่อมีแม่มีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีสมบัติประสานบ้านจองคนเยอะลูกหลานก็เยอะแต่บัดเนี้ยบ้านนั้นล้างแล้วที่ดินกว้างใหญ่ของบ้านหลังนั้นก็ไม่มีคนอยู่แล้วล้างแล้วเพราะคนในบ้านหลังนั้นทั้งพ่อทั้งแม่เจ้าของบ้านหลังนั้น ตายไปหมดแล้วลูกหลานก็ไม่มีใครกลับมาอยู่บ้านหลังนั้นอีกแล้วเห็นแล้วสะเทือนใจสะเทือนถึงใจถึงจิตถึงใจเลยยึดอะไรกันนักหนาตอนมีชีวิตอยู่ยึดอะไรกันนักหนาลุ่มหลงหัวปักหัวปำอะไรกันนักหนาไม่รู้เลยว่ามันเป็นสมมุติมันเป็นสมมติสมมติจะ่อยขว้าอย่างไรก็ตามเอาไปไม่ได้หลวงตาเคยไปกับเพื่อน แม่ของเพื่อนเป็นมะเร็งในมดลูกลุกลามไปทั่วตั ว, ตวปวดทรมานแสนสาหัส ต, ตอนไปก็ตากลับแล้วตาตาดำกลับไปข้างในตาตาขาวปิ้นออกมาข้างนอกของข้างเลยน่ากลัวมากเลยตาถลนเพราะเจ็บปวดทุกทรมานดิ้นลนกระเสือกกระสนจนกระทั่งตาดำมันกลับเข้าไปข้างในเอาตาขาวปิ้นออกมาข้างนอกตาเหลือกน่ากลัวมากเลย แต่ปากก็ห้ามแต่ขนาดเจ็บปวดทรมานกระเสือกกระสนอย่างนั้นอ่ะห้ามพูดแต่ว่าเอาสมบัติกูมาเอากําปั่นเงินกับปั่นทองของกูมาของกูมาตะโกนตัวเองเนี่ยสามีลูกหลานก็ไปเอากําปั่นเงินกับปั่นทองมาเทใส่ที่หน้าอกอ่ะเพราะมันเยอะมากเลยแก้วแหวนเงินทองทับทิมสร้อยไข่มุกอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะต้องมาเทใส่ที่หน้าอกเป็นกองเลยตามองไม่เห็นแล้วมันจะตายแล้ว แต่ความยึดมันรุนแรงก็มือตะกุยตะกายที่เขาเทาใส่ในหน้นาอกให้ขานาดมันปวดเจ็บปวดทุกทรมานจนตาดํากลับไปตาขาวถลนออกมากข้างนอกเนี่ยแต่ความหวงความยึดมันมีมากกว่าเวลาเขาเทาแก้แหวนเงินทองสร้อยต่างๆเนี่ยกองบุที่หน้าอกก็มือตะกุยตะกายเลยของกูของกูขยับไปของกูของกูของกูของกูขยับไปของกูของกูตะกุยตะกายอย่างนั้นแน่แล้วก็ให้พวกสร้อยคอ แก้แหวนเงินทองอะไรที่เป็นพวกเครื่องประดับทั้งหมดเนี่ยที่เก็บสะสมไว้เยอะเนี่ยเพชรนินจินดาแก้แหวนเงินทองต่างเนี่ยก็กระจัดกระจายล่วงหล่นไปทั่วหมดเลยก็ตะกุยตะกา ย, ยางนั้นแหะของกูของกูเฮ้ยไปของกูของกูตะโกนอยู่อย่างงี้เนี่ยยืนมองสลดสังเวชเลยเหมือนหมูหมาที่มันหิวโซแล้วเขาก็เอาเทข้าวมาใส่หลังเวลามันหิวจัดว่าเวลามันกินมันก็ตะกุยตะกาย เลอะเทอะออกไปนอกลางมันโอมันก็กัดกันแล้วก็ร้องกิดไปด้วยบ่นไม่ได้ร้องว่เด้อโพอเราไม่หิวจัดแล้วไอ้ไอ้ข้าวมันก็กระจายออกไปนี่มันเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนหมูเลยนะไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยเราเห็นแล้วสลดสังเวชมากเลยอแล้วก็คนความเจ็บปวดไม่ไหวก็สลบปุ๊บไปดับเงียบไปเลยแล้วก็อตายแล้วเหรอนเนี่ยเนี่ยไปนานมากเลยอ่ะแล้วอยู่ๆฟื้นขึ้นมาอีกพอฟื้นปุ๊บ คำพูดแรกคือเอาของกูมาคของกูมาเรียกไอ้กะปั่นเงินกระปั่นกระตอยพอตัวเองแน่นิ่งไปนานแล้วเขาเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวใครจะมาเก็บเอาไปเขาก็เก็บเก็บเก็บสกระปั่นเงินกระปั่นทองไปเ <c oughs> องตัวเ <c oughs> องแน่นิ่งไปแล้วเราก็ทุกกระตายไปแล้วอ้าวคุยขึ้นมาเรียกหากะปั่นเงินกระปั่นทองอีกแล้วโอ้ย น, นี่ลนกระเสือกกระสนเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยตาดํามันกลับไปอีกโอโหตาขาวปี้ออกมาคนตาถลนมีแต่ตาขาวน่ากลัวน่าเกลียด ม, มากเลย แล้วก็ยืนมองโอ้โหทรมานสุดๆเลยนี่แล้วก็เขาก็เลยไปเอากระป๋องกวกมาเทใส่ที่หน้าอกอีกเทไอ้พวกเพชรพวกแก้ แ, กแหวนเงินทองที่สะสมอะไรไว้เต็มไป ห, หมดเลยเนี่ยโอ้โหก็มากองที่หน้าอกพอเทใส่แค่นั้นเนี่ยโอ้โหตะกุยตะกายของกูของกูของกูของกูของกูของกูโอ้โหเราเห็นแล้วแล้วก็กระจัดกระจายไปอีกอะไม่ได้หยิบอะไรได้ไดหรอกตาก็ไม่ได้ลืมแล้วก็หมดสติไปอีก ไม่น่าเชื่อไอ้ใจที่มันยึดเนี่ยสามวันเจ็บปวดทุกทรมานอย่างเงี้ยสลบระพื้นสลบระพื้นไปเนี่ยที่เรานึกว่าตายแล้วเนี่ยมันทรมานโอ้โหแสนสาหัสเลยเราเราเลยไปเอาพระมาสวดไปนิมนต์พระมามาสวดพวกญาติพี่น้องพ่อแม่เขาไม่ยอมบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าแช่งให้เมียตายเพราะว่าเมียยังไม่ตา ย, ยาาแล้วพาดมาสวดแล้วหรกไม่ใช่ มันทรมานมากเลยมันไปมันจะไปไม่ดีด้วยแล้วในขณะปัจจุบันก็ทุกทรมานแสสะหัดในความหน้าและความยึดเนี่ยไปเอาพระมาสวดให้ฟังพระสวดซะบ้างก็เลยไม่ยอมฟังเราเราเลยไปนิมนต์พระมาเองเลยไปนีิมนต์พระมามาสวดพระก็มาสวดมนต์สวดสวดสวดพุทธมนต์เนี่ยสวดพุทธมนต์เราก็ไปกระซิบที่ข้างหูที่หูตัางๆว่าเนี่ยเราจะหาอุบายให้จิตเนี่ยมันรลุออกจากที่ยึดเพื่อจะหาอุบายให้จิตบรรลุออกจากที่ยึด ให้ไปฟังพระสวดเราก็บอกพระมาสวดแห้พระมาสวดแล้วพระมาสวดพระมาสวดเนี่ยพระมาสวดแล้วเอาดอกไม้ทูบเทียนไหว้พระไหมพระมาสวดมนต์แล้วพระมาสวดมนต์แล้วตั้งใจฟังพระสวดมนต์นะเอาดอกไม้ทูบเทียนไหว้พระไหมก็กระเงือกหน้าเราก็ให้เอาดอกไม้ทูบเทียนมาเอามาใส่มือแต่ไม่มีแรงหรอกจะจับดอกไม้่ะเขาก็พยายามจะจับดอกไม้ให้มือกำดอกไม้ไว้ให้ฟ like ังพระสวดนะเราก็พูดแต่โอ้ฟ so ังพระสวดฟังพระสวดนะทําไปด้วยทีหนึ่งไปอย่างสงบมากเลย ไม่รุนทุนลายเลยเพราะจิตที่มันยึดไอ้สมบัติไว้เนะ่ะมันหลุดไปฟงังพระสวดเลยหลับดับไปในขณะที่ฟงังพระสวดเนะี่ยโชคดีมากเลยที่เราไปพอดีไม่งั้นนะถ้ายึดสมบัติอยู่ในขณะนั้นนะ่ะตายเหมือนหมูเหมือนหมาเลยอ่ะหิวโซเลยมันที่ก็เทใส่ข้าวใส่ลางเลยเนี่ยตายคขาดพระสวดก็ยังดีแต่เราเนี่ยมันเป็นผูน้บูติปฏิบัติธรรมต้องเหนือกว่านี้มันต้องฝึกตายก่อนตายไม่ใช่ยึดอะไรแบบเนี้ยยึดจนโอ้โหลุ่มหลงแบบนี้ ยึดที่ดินของผิวโลกตายแล้วเขยังยึดอยู่นั่นเนี่ยมีลายหนึ่งก็เศรษฐีร่ํารวยมากเลยถ้าเราพูดก็ทุกคนก็รู้จักบริษัทเนี้ใหญ่โตมากเขาก็มาโอ้ยมาตามเราไปช่วยไปบอกทางหน่อยเราไปเห็นแล้วก็โอ้ยเราก็เห็นทุรนทุลายมือกว่อยกว่าอากาศเราก็ยามพูดในปงปล่อยวางให้ปงไปวางปงไ ป, วา ง, ป, งปวางแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะเนี่ยเป็นอาจารย์รักษาโลกแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนใน สึกษาโลกโดยพลังอะไรที่เขาเรียกชื ast, <sino S 1> ่อกันเนี่ยพลังเช่นนีหนึ่งเนี่ยแล้วเปิดโรงเรียนสอนด้วยแต่เวลาจะตายโอ้โหไม่มีสติเลยมือไขวว้อากาศเรียกหาลูกเมียเรียกหาธุรกิจไขว้กลางอากาศเลยนี่ไม่มีไม่มีไอ้นั่นเลยอ่ะไม่มีสมบัติที่มากองไว้ในที่โนะแต่มือนี่ไขว้เพ้อไกว้กลางอากาศเลยเรายิ่งไปพูดให้บอกบอกทางให้ปล่อยวางยิ่งไขว้เลยโอ้โหนี่ขนาดมีเงินมีทองทัศนเนี่ย แต่มือนี่ไกวัยว่ า, าการเรียกหาแต่ธุรกิจเรียกหาลูกเมียให้มาอยู่ใกล้ๆไม่ให้ห่างเลยเพ้อโอ้เพ้อจนตายเลยไม่มีสติเลยบอกทานยังไงก็ไม่มีสติยึดมากนี่ขนาดมีชีวิตอยู่นี่รักษาโรคด้วยนะแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนเนียปโรงเรียนสอนพลังเนี่ยรักษาโรคเนี่ยโอ้โหเห็นเราเห็นเลยตรงโทษของความยึดนี่ต้องตายก่อนตา ย, ตายปล่อยวางให้ได้ทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยปล่อยวางให้ได้ ไว้วางไม่ได้แล้วก็เออแสนสาหาัสนี่เรายังนึกชมเชย อ, อดีพ่อตาเราพ่อติ๋วเนี่ยเป็นพ่อค้าแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนเราสอนก็ไม่ค่อยจะเอาอ่ะแต่เราก็พยายามใช้เอ๊ะคนสโลบายสราร พ, พัดพูดธรรมะไอ้ฟังมั่งเปิดวิดีโอให้ฟังมั่งเปิดเทปธรรมะไอ้ฟังมั่งเปิดสลัดบ้านน่ยทุกวันน่ะแล้วเราก็แกล้งขยันมากเลยเราอะไม่เห็นลูกเคยขยันมากดีใจอะ่ะกลับมาบ้านเราก็ แปะแต่งต้นไม้ลดน้ําต้นไม้ทําความสะอาดรูดทานี่ทํานี่ทํางานบ้านทั้งวันแล้วก็กลับจากงานมาแล้วแต่แก้งเปิดวิดีโอดังๆวิดีโอธรรมะหลวงปู่ทาจําทุกโมทันเทศแล้วก็สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ทีใจไ ล, ล่ใจไปวางที่ใจเนี่ยเราก็ท่านเดินจงกรมตุ๊ก ๆ, ๆุ๊กอายุเก้าสิบเจ็ดปีเห็นคนแก่เดินจงกรมก็น่ารักดีแล้วเราก็เปิดเทศธรรมา ก, ก็เปิดสีดังเลยแล้วก็ถามว่าไมเราเปิดสีดังเลยเราบอกว่าเราฟังไม่ได้ยินเพราะเราไปทำงานนอกบ้านเราเลยแก้งเปิดสีดัง เช็คกุสโลบายหลายอย่างอ่ะพอฟังแกฟังมาหลา ย, ลายปีแล้วเราก็เลยพาไปกราบหลวงปูทาามม่ท า, าอาจารย์สมโมพ่อแม่คูอาจารย์ความที่เห็นในวิดีโอกันมานานเลยไม่รู้สึกแปลกใจพอเข้าไปเจอหลวงปู่ก็อยู่ๆก็ไปกราบแล้วก็ก็ข อ, อนั่งใกล้ๆได้ไหมขอมนั่งนนััน่่งงพิงข้างฝาเนี่ยนั่งพิงไงลูกกงที่นาบุติท่าน่หลวงปู่ว่าทำไมจะไม่ได้ได้สิอะไรเนี้ยบุคูล้ อ, อ, อเมตตาก็รับแขกไปเรื่อยเอออดีตพ่อตาเราก็ นั่งหลับด้วยนั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิก็ไม่รู้พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาไปกันหมดแล้ว ง, งานปกติหลวงปู่จะต้องเข้าพักเลยไม่พักเลยหลวงปู่นั่งอยู่กันกับไอพ่ตาเราเนี่ยแล้วก็ท่านก็นั่งหลับทุกคันเลยเอาอยุก็สิบเจ็ดแล้วเนี่ยเกสิบแปดมรณะภาพเก้าสิบแปดท่านก็นั่งหลับเหมือรับแขกทั้งวันแต่ก็ะอตาเราก็นั่งกั้นถ้านก็เลยไม่เข้าไปพักแล้วพอตาเราลืมตาขึ้นมาเข้าไปกราบเท้าท่านเฉยเลยบอกว่าขอผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ได้ไหม จะอยู่พ่อตาเราก็อดีพ่อตาเราก็เข้าไปกราบพไปกราบท่านเฉยเลยก้าพมข้ากบตัวเุษลศิได้ไหมหลวงปู่ว่าเลาะใหญ่ได้สิทำไมจะไม่ได้ไพ่อตาเราชื่นใจมากแล้วก็เราก็ไม่รู้นะอะ น, นั่นเป็นไฮไลท์ของชีวิตพอวันเนี้ยพ่อตาเราจะตายแกรู้ตัวว่าแกจะตายเนี่ยคือสิ่งที่เราชื่นชมแกคือตอนที่แกกล้าจะตายแกแบ่งหมดเลยแบ่งที่ดินกับบ้านก่อนต่อเป็นสมบัติจิ้นใหญ่ แกแบ่งที่ดินกับบ้านให้ให้ลูกสาวสี่คนแล้วก็ล้านแก บ, บอกว่าไม่ต้องแบ่งหรอกเพราะว่าแบ่งให้แม่มาเดี๋ยวแม่ไปดูไดแบ่งให้ลูกสาวสี่คนแล้วก็แบ่งร้านค้าแบ่งบ้านแบ่งที่ดินให้หมดเลยแล้วก็แกก็อา้อาวอสังหารมมทรัพย์หมดแล้วต่นี้เหลือสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างก็เปิดตู้เซฟแกก็รู้หมดเลยนะว่าขณาแกนอนปวดเตียงแกรู้ว่าแกมีอะไรอยู่เท่าไหร่ในตู้เซฟจําแกแม่นมากเลย ขนาดแหวนเพชรเกรมีกี่วงแล้วก็สมัยก่อนในขั้นนิยมอ่ะพวกพ่อค้าเนี่ยคือเพชรเป็นตัว โ, โตมากเลยวงหนึ่งก็สี่เม็ดโอ้เม็ดละกี่กัลัสแกก็เอามาแบ่งหมดเลยให้ถอดออกมาทุกเม็ดแบ่งให้ลูกทุกคนแม้แต่เสมียนพนักงานคนใช้ได้หมดเลยแกแบ่งให้หมดแกจําได้หมดเลยทุกคนตัวคนเสมียนพนักงานแกจําได้หมดคนใช้แกให้หมดเลยทุกคนให้พวกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หมดแล้วอสังหาริมทรัพย์พวกไปที่ดินพวกบ้านชองร้านค้าแกแบ่งหมดแล้วแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ พวกทรัพย์สิน ต, ต่างๆที่ที่กเก็บไว้ในตู้เซฟแกให้หมดเลยอ่าตอนนี้เรื่องเงินฝากธนาคารเราก็นั่งอยู่ด้วยนะนตอนนั้นเนี่ยอ้าวเอาบัญชีธนาคารมาโอ้โหมีต้องไปตึกตั้งหลายธนาคานมีเงินฝากในธนาคารก็หลายอยู่แล้ก็แบ่งให้หมดมเาาลย ม, มีเงินธนาคารนี้ธนาคารนี้แบ่งให้ลูกทุกคนแล้วก็พวกคนใช้เสมือนเสมือนได้หมดแกให้หมดคนใช้แกยังให้เลยหมดแล้วแกบอกแล้วหมดแล้วพ่อไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วนะ ทุกอย่างพ่อแบ่งให้หมดแล้วอย่าทะเลาะ ก, กันนะดูแลกันให้ดีแล้วพ่อไม่เหลืออะไรแล้วแล้วแกก็อเอาพ่อไปโรงพยาบาลโอ้ยเก่งมากเลยแล้วก็ก่อนที่แกจะตายตอนนั้นนะ่ะไอเร า, าเอ๊ะพอดีกลับไปเยี่ยมแกทําไมไม่มีหมอกพุ่มแกไม่หมดเต็ไมไปหมดเลยเหมือนกับไปภาคเหนือหน้าหนาวหนาวอะแล้วยื่นมือออกไปยังมองไม่ไะ้เห็นมือตัวเองเลยไม่มีหมอกพุ่ ม, มหมดเลยแต่ว่านี่มันนกข อ, อนสวรรค์นะที่นคขอนสวรรค์ ที่จังหวัดนครสวรรค์มันไม่มีหมอกหนาขนาดนั้นแล้วนี่นเป็นเวลาสายแล้วทำไมมันมีหมอกพุ่มตัวแกเต็มไปหมดเลยมองไม่เห็นตัวเลยเราเลยสงสัยเลยเดินเข้าไปหาแกเอ้พ่อพอ พ, อพ่อบริการพุทโธเร็วๆสิผมสงสัยมากทําไมหมอกมันพุ่มตัวพ่อมองไม่เห็นตัวเลยผมสงสัยว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่าง แกกบฎิามพุธพ vale ุธพุธแล้วเลีวอีกเลี้วพุธพุธพุธเลี้วอีกเลีวพุทธพุธพุธเรียวีกเลี้ยวพุทโธพุทโธพุธเนี่เรานำล่องไม่หายใจเลยเรานาร่องตลอดเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโเพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพท เก Dante, ็เลยพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุอโตพุทโตพอทโตพุทโตพอทโตพุทโรพุอโตพุทโตพุทโตพุทโออุทโตพุทโตพุเโตพุทโตพุอโตพุทโตพุทโตพุทโตพุพอเป็นอะไรพุทโตพุทโตพุทวตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพทโตพุทโตพอทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตพุาโ พวกนันดบาลน่ะมาจกนรกอ่ะสองตนจะมาไปเสแล้วที่จะไปนรกเฉยเลยเราไม so ่กล้าบอกแกเลยเรากลัวแกจะจิตจะเสียเราเลยให้แกปริกรรมพุทโธถีบเสแลนี้เป็นเป็นกนเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหุทโุทโลพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ้พุทโธพุทโธพุทโุทโธพุทโธพุทโพุทโธพุทโท อ่าเอ้แต่หายไปทําไมพ่อล่วงไปไปเลยแน่นิ่งไปเลยหามไปที่เตียงนี่ร้องไห้กันหมดแล้วในบ้านไม่มีใครมีสติเลยร้องไห้กันหมดแล้วเกาะเตียงร้องไห้หมดเลยพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วร้องห่มร้องไห้กันแตไม่มีสติมีแต่เรานี่ย น, น่ะสงสัยมากเลยว่าเอ้ในนี้ระบาลเข้าไปแล้วทําไมตายได้ะก็ไม่เห็นเขาเอาวิ ญ, ญญาณไปแต่ทําไมตายได้วิ ญ, ญญาณของคนที่ยังยึดถือเนี่ย ถ้ายังยึดถืออะไรเนี่ยเวลาตายแล้วมันจะมีรูปร่างเหมือนตัวเราเนี่ยออกมาจากออกมานอกร่างเรามามีความทุกข์มาร้องหม่มร้องไห้แล้วก็ถูกนายเดียบาลเน่ยลากไปตนนายเดียบานจะมาใครก็จะมาสองตอนตนหนึ่งก็ลากไปอีกตนหนึ่งก็เอาสามง่ามแทงไปต่อสู้เขาไม่มีใครยอมไปหรอกทั้งถีบทั้งเตะทั้งกัดทั้งอะไรสารพัดแต่เขาก็แทงไปแทงแท ง, แทงเจ็บปวดทุกทรมานน้อสู้เขาไม่ได้ต้องดนเขาลากออกไปเอาไปลงโทษเอาไปพิพาทษาเอาไปหายพยาบาลให้พิพาทษาเนี่ยจิ้มเหมือนกับ ที่หลวงปู่ทำกันจริงที่ท่านฟื้นมาแล้วมาเล่าให้ฟังที่ว่าท่านเองก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกันนั่งประมาณที่แล้วตายไปแล้วไปกับเขาเอา้าทําไมมีคนเดินไปเป็นแถวเลยท่านก็ไปเข้าไปด้วยก็ไปกับเขาด้วยแล้วไปถึงประตูเขาก็จะเอาอ้อยคยคล้ายเปประขันจี้จี้ๆๆที่หน้านะ อ, อกทุกคนพอจี้เสร็จแล้วก็ผ่านเข้าไปพอผ่านเข้าไปเสร็จแล้วไปเจอยมพบาลที่ธรรมซีเหมือนผู้อาวสานี่เสียงดังมีอํานาจมากเลยคนนี้ก็เข้าไปแล้วเาก็ตาวาดว่าพวกมึงนี่ทําไมมันเหม็น กบกมีแต่ขี้มีแต่อุจาระเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยท่านบอกว่าใส่เสื้อผ้ากันมาดีๆดูที่ตัวมีแต่อุจาระเต็ไมไปหมดเลยทุกคนไปไปอาบน้ําในสระนู้นเราค่อยมาใหม่ก็พากันไปวิ่งกันใหญ่เลยไปกระโดดสระท่านก็ไปด้วยน้ำปูคากันเองกระโดดลงไปในสะระพอกระโดดลงไปในสระนั่นเนี่ยมันกลายเป็นไฟลุกเป็นน้ํากดไฟลุกท่วมไม่ร้อง่หยวนั้นทลึ่งขึ้นมาแล้วก็จมตายไปแล้วก็เปิดมามันไม่ตายสิ ทรมานแสนสหาหัสร้องหหยหวนเน่ยได้ผลของกรรมไม่ยอมตายร้องโหยหวนแล้วก็จมลงไปในในน้ํากดนรกที่มันร้อนเป็นไฟลุกไหม้แล้วก็ร้องหหยหวนทรมานแสนสหาหัสเหมือนคนเป็นๆถูกไฟไหม้เลยคือเผาต้องเป็นเหมือนคนถูกเผาต้องเป็นดิ้นลนกระเสือกกระสนแล้วปลูกคําวันนี้ก็กระโดดลงไปด้วยไฟไหม้ขาแสบปวดร้อนมากเลยท่านตกใจเลยเอานี่มันไม่ใช่น้ํำนี่ว่าเห็นเป็นน้ํานี่มันไฟนรกนี่ น้ำกดนรกนี่น้ำกดไฟนรกกระโดดลงไปไหม้ขาหรือแสบปวดร้อนหมดเลยท่านแต่ท่านมีฤทธิ์ไงท่านเลยกระโดดว่ากระโดดขึ้นฝั่งเลยแต่คนอื่นกระโดดไม่ได้ท่านก็เลยเดินก็ไปหาโยพาบานที่เป็นธรรมทีมผูราา้รักษาโยาบานก็พูดกับท่านในวความผนลบบอกว่าที่ท่านตกมาเนี่ยมาลงนรกมาได้รับเรื่องมาแสบปวดร้อนตกไปนรกเผาขาไหม้ขาเนี่ยแต่บุญบา ร, รมีของท่านมีท่านจึงขึ้นมาได้คนอื่นขึ้นมาไม่ได้ ท่านมาชดใช้เศษกรรมที่เหลือเศษกรรมจะได้หมดไปท่านจะกลับไปเกิดใหม่แล้วก็กลับไปที่ล่างเดิมนะแล้วก็ท่านจงสร้างบุญบารมีให้พ้นไปแล้วท่านก็เลยฟื้นขึ้นมามเล่าให้ฟังเนี่ยพ่อไอติวนี้ก็เกิดไปโดนไปนรกแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุได้น่ะพุทโธเนี่ยท่านก็แน่นนิ่งไปเราก็พูดใส่หูนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเฮ้ยทาไมตายได้วะ เพราะว่าปกติเนี่ยคนที่มันยึดเนี่ยจะต้องมีรูปร่างเหมือนตัวเราประเด็นออกมาจากล่างพอมันยึดไงมันยึดเอาไอ้ตัวปุงแต่งเป็นตัวเรามันเลยไอ้ตัวปุงแต่งมันเหลืออยู่แม้แต่ไอ้แขนห้าที่เป็นร่างกายเนี่ยมันดับแล้วไม่สามารถมีเวทนาสัญญาสังขารมิญารที่เป็นของหยาบแล้วแต่มันไปสร้างตัวเราเนี่ยอยู่ในจั่นอยู่ในตัวเราว่ามันมีตัวเราอยู่ในตัวเรามันไปสร้างความรู้สึกอันนี้ไว้เลยมันยึดบั่นคงว่ามีตัวเราอยู่ในตัวเราเลยมีตัวเราประเด็นออกมา รูปล่างเหมือนตัวเรามีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจได้กับแกนใจมีเวทมีขันห้าเหมือนตัวเราเดะทุกอย่างเลยมีความทุกข์ทุกอย่างถูกลากไปลงโทษได้ทุกอย่างเลยไม่ดับเพราะว่าเราไ네 ม, ามา e ่ยึดเอาร่างกายเป็นตัวเราแบบแต่เราไปยึดเอาไว้ไอจิตกายจิตที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เนี่ยเป็นตัวเราคือเราไม่ยึดไอตัวขัน้าไอกายเนื้อเป็นตัวเราก็จริงแต่เราก็ไปยึดเอาว่ามีตัวเราอยู่ในตัวขาน้านี่คือไอตัวจิตไอตัวเราที่พูดได้นีกคิดนึกคือปรองดองแต่งได้เนี่ยเป็นตัวเราเรายอมรับว่าร่างกายเเราาที่ดดินนนไไไไปหหม้ แล้วก็พูดได้เนี่ยมันเน่าแต่เราไม่ยอมรับว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่อยู่ในตัวเรามันไม่มีเรายอมเราอะมันมีตัวเราอยู่ในในตัวเราที่เป็นกายเนื้อที่มันพูดได้เดินไปไหนมาไหนได้แต่นั้นพอเวลาไอ้กายเนื้อมันตายแตกหนับแล้วก็ไอ้ขนาน้าจะเป็นของหยาบจิตจงใช้ระบบสมองผสมเนี่ยจึงใช้ระบบทางตาหูจมูกลิ้นไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยที่ต้องรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูใจเนี่ยพอประตูต า, ป ร, ตตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจมันเน่าหมดเนี่ย พอน่าหมดปุ๊บวิญญาณาขาันธ์มันหมดประตูตตที่จะไปรับรู้วิญญาณาขันธ์มันก็เลยดับพรวิญญาณาขาันธ์ดับมันก็เลยไปส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้อีกสามขันคือเจตสิกมันก็เลยดับหมดเลยกันธ์ห้าแต่ความยึดว่ามีตัวเราอยู่ในตัวเรามันเลยไปสร้างขันธห้ายึดถือไว้เป็นตัวเราซ้อนอยู่ในตัวเราพอตัวเราที่เป็นขันธห้าที่เป็นของหยาบดับปุ๊บโผล่ไปไอตัวที่ยึดเป็นการโปร่งแสงกระเด็นรูดออกไปเลยแล้วก็ได้รับผลของกรรม แล้วก็นันนิลาบานลากออกไปแทงเอาสามงานแทงไปเราเห็นเราโอ้ตระหนักตรเวนเลยพุทธินี่ไม่ยึดถือกายก็ยึดถือจิตเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานี่เราก็เห็นเอ๊ะพ่อไอติวนี่มันไม่มีตัวถูกลากไปนี่อ่ะตัวหน้าตัวตาเราเนี่ยแล้วทำไมตายได้ไวแล้วก็งงเราเลยพุตโธพุทโธไปหูไม่หยุดเลยแต่พวกในบ้านร้องไห้กันหมดแหละเกาะเตียงร้องไห้กันใหญ่เลยเราเอ๊ะไม่ตายได้อย่างไรวะอะไรอย่างเงี้ยพุตโธพุทโะพุทอยู่อยู่เด้งดึ้งลืมตาขึ้นมาพักใหญ่ เด้งนึ่งลืมตาขึ้นมาเฮ้ไม่ตายหรอกลุกขึ้นนั่งได้เลยเนี่ยลุกขึ้นนั่งมาประคองให้นั่งได้เลยปอกคองน่าแล้วก็บอกว่าพาพ่อไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยโมดีเดี๋วเดี๋ยวเดย ว, ยว ต, ต้อ ง, งเอารถโรงพยาบาลมาก่อนไม่ต้องฮนะไอเอ็บอกหน้าให้พ่อ น, นั่งไปแล้วก็ขับไปส่งโรงพยาบาลอ่าขับไปส่งโรงพยาบาลไม่ไปไม่ไง่ายนะเนี่ยไปพาไปส่งโรงพยาบาลเลยไม่ต้องรอรถโรงพยาบาลไม่ต้องพาไม่ต้องไม่ห่วงใครด้วยไปเลยเอาไปโรงพยาบาลไปแค่สองคนเอาไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาล เขาเจาะเลือดหมอเจาะเลือดปรากฏว่าเจาะเลือดตามตัวไม่ได้เลยไม่ได้เลือดเลยดําหมดแล้วเลือดเป็นเลือดดำหมดเลยเจาะตรงไหนเป็นเลือดดำหมดทั้งตัวอ้าวเฮ้ยเลือดไม่ไหลผ่านตับผ่านหัวใจแล้วนี่หว่าเนี่ยอันนี้มันก็ต้องตายด้วยวะเนี่ยผมว่าเลือดไม่ไหลผ่านตับผ่านหัวใจแล้วมิจจะเลือดดาอ่ะอ้าวเดี๋ยวไม่บอกแกนะไม่บอกแกกลัวแกจะตกใจเพราะว่าหมอเจาะไม่ได้เลือดแต่แกก็เข้มแข็งมากเลยนะแกก็เข้มแข็ง แกก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่แกไท่าตุแตกนะแกก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนไท่าตุมันแตกสักชั่วโมงได้แกทรมานแสสาหัสดลุกดนั่งปุดยืนเลยขนาดแกภาวนาตลอดนะยังสู้ไม่ค่อยไหวเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแกยังสู้ไม่ไหวเลยขนานโอ้อย่างเดียวเลยโอ้ยปดลุกปวดนั่งไม่เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยนอนเดี๋ยวขอลงไปข้างเตียงเดี๋ยวลุกขึ้นมานอนบนเตียงเดี๋ยวโอ้มันก็หูกระเสือกกระสนเลยมันทรมานแสนสาหัสไท่า เดี๋ยวเอาลงไปนั่งเขาละเดี๋ยวยืนขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นเตียงเดี๋ยวนอนเดี๋ยวยืนบนเตียงอู่เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวผู้ดลุกผดนั่งโอ้โหมันคงมันคงทรมานแสนสาหัสกันนะแกพูก้โตผูพโตแกกาลังยังไม่ไหวเลยเดี๋ยวั้งไฟธาตุมันแตกหมดแล้วก็เรือมันดำหมดแล้วไงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันแตกออกจากกันแล้วแกก็นอนนิ่งเพราะหมดหมดแอร์เขาเรียกอะไรทางสัพแพทย์เขาเรียกว่าคนไข้ไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกใช่ไหมไฟธาตุไม่แตกไฟธาตุแตกหมดแล้ว คนไข้ไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกแล้วตอนนั้นน่ะมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยเพราะไม่มีการรับตอบสนองต่อความรู้สึกแล้วเหมือนกับเส้นประสาททั้งหมดขาดการติดต่อกันทั้งหมดแต่แปลกมากเลยใจแกดีมากเลยเหลือแต่ใจเท่านั้นเ่ยแต่ร่างกายหมดแล้วไฟท่าแตกหมดแล้วเหลือแต่ใจแกดีมาแค่นอนยิ้มแต่ก่อนที่แกจะแกจะนอนยิ้มมันแกก็บอกว่าปรดี๋ยวมิถายมันลูกหรือหลานแกบางแกบอกว่าไอ้สีตามมารับกูแล้วไอ้สีตามมารับกู แกไม่เห็นตัวนะเห็นแต่ลูกกตาเขาสองตนบอกไอ้จีตามารับปู่แล้วแล้วแกก็ไม่กลัวนะแกก็นอนแกก็บอกมิจฉาบางังมิจาบังไอ้สีตามารับปูแล้วแต่แกก็นอนภาวนาพุทโทธพุทโทธพุทโธพุทโธแล้วนอนยิ้มแล้วก็บอกว่าพ่อยิ้มอะไรอ่ะเห็นนอนยิ้มอยู่เพราะเรารู้แกจะตายอเออในชีิตของพ่อเนี่ยพ่อภูมิใจยอยู่อย่างพ่อภูมิใจอะไรพ่อเนี่ยไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมเถื่อนพ่อเป็นสิทธิ์มีอาจารย์ ใครเป็นอาจารย์ของพ่อแกแล้ว ข, ขนาดเนี้ยใครเป็นอาจารย์ไม่เห็นใครเป็นอาจารย์พ่อเลยให้ปฏิบัติก็ใช่จะไม่เอาแนละ้บอกว่าลูกภูธาาจารย์กธรโมเนี่ยรับพ่อเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยพาไปกราบท่านดีกว่าทำซ้ำมืดแล้วก็นอนยิน้มพ่อไม่ใช่ผู้ปฏิบัติทำเถื่อนนะพ่อเป็นศิษย์นี่อาจารย์อี่แล้วแกก็พุทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแก่เรื่อยไปเงี้ยแกก็หันมาถามเราว่า ต้องพูดโทนอย่างนี้ตลอดไปไหมเราก็บอกว่าให้พุดโธตลอดเลยเราเรารู้แล้วว่าแกจะสิ้นแล้วแกก็พูดโธเสียงดังพุดโทพุดโธพูดโธบอกว่าเพาไม่ต้องเสียงดังพุดโธในใจแกก็พูธพุดโธนหายใจยาวๆสิ้นไปเลยอแล้วก็อตรงนี้ตีควาจะกวดเล่าหรือไม่กวรเล่าเกาไม่รู้แต่ว่าเอเพื่อประโยชน์แห่งธรรมพวกเรามันจะได้ เออคือว่ามันเป็นเดือนเมษาขอไฟพระราชทานกว่าไฟพระราชทานจะมาเนี่ยต้องรอแล้วแต่งชุดขาวกันแต่งชุดขาวไปรับไฟพระราชทานตอนบ่ายสองแล้วคิดดูทีบ่ายสองเดือนเมษามันร้อนขนาดไหนกว่าจะเวียนเมรุกว่าจะไปรอรับไฟพระราชทานโอ้โหร้อนมากเลยพกว่าที่พระอาจารย์มาพูดกับเราพูดเ ล, เล่นๆนะเดี๋ยวคุณต้องเดินก็มาเดินก็ม า, อ, มาอาจางาน ช่วบอกเทวดาเมฆมาบางฝนบอกบางพระอาทิตย์ได้หน่อยสิโอูมันร้อนมากเลยเนี่ยมันเดือนเมษาบ่ายสองอ่โอ้โวร้อนจัดเลยไปยืนหน้ายืนรอไฟไปไะหลาดด้วยแล้วก็ต้องไปเวีวยนเมนเ อ, อีกอ่ะอูคบอกว่าช่วบอกเทวดาเอาเมฆมาบางพระอาทิตย์ได้หน่อยสิช่วคขาวให้หน่อยก็มาพูดเดี๋ยวมันก็มาล้อเราที่ว่าล้อเราเราเออเอ่ะกำลังหันจะไปนั่นน่ะอ้าวพอไอศิลป์โผลบมาอยู่ต่อหน้าแท็กไม่รู้เป็นใครหรอก อ ม, mark, มีเทวดามีเทพมีเครื่องสายสังวรผ่าดมีตาขลามสันโอ้โหงดงามมากเลยปั๊บๆๆๆๆๆเลยอ้าวนี่ใครเนี่ยพ่อจะไม่ได้เหรอฮ we ้โอ้โหมาในร่างใหม่จําไม่ได้เลยเออไปเกิดโน่นเนี่ยถ้าถ้าจําไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดพลาดไปเกิดนู่นเน่ะถ้สวรรค์ฉันน่าจะไปสูงถึงดฤาษีเลยไปชั้นเดียวกับที่ พระี่างมีตายพระเจ้าองค์ที่จะมาเกิดในต่อไปมีโอกาสมาเกิดพร้อมกันได้เล่าเพราะว่าจิตภาวนาพุทโธมาตลอดเป็นฌานแม้จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ไปใช้ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปต่อได้เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวก็จะรีบไปแต่งตัวด้วยแล้วก็จะรีบด้วยเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าตอาเมฆว่าเมฆพวนแล้วก็บอกว่าไปบอกเทวดาเขาเมฆมาบางบ่าที่ไหนหน่อยเราก็พูดเนี่ยอย่าไม่ต้องเดี๋ยวทาเองก็ได้เดี๋ยวพ่อทำเองก็ได้แป๊บเดียวเมฆก็บางว่าทิตศหมดเลยจนกระทั่งเวียนเมร ไม่ถึงขั้นนิพพานแก็สามารถช่วยตัวเองไปดีได้คนจากอบัยวุมได้ก็เป็นที่น่าน่ายินดีเพราะว่าที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะไม่ห่วงใยอะไรแล้วสมบัติพ่อสถานรู้จะตายที่ดินทั้งหมดบ้านช่องแบ่งหมดอสังหาริมทรัพย์แบ่งหมดแล้วก็มาแบ่งสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อสังหาริมทรัพย์แบ่งหมดมาแบ่งสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดแล้วก็แบ่งเงินฝากในบัญชีทั้งหมด แล้วก็สุดท้ายหมดแล่วไม่มีอะไรแล้วพ่อไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ตัวแล้วนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลแบ่งหมดเลยทุกอย่างะปล่อยวางเลี้ยงเลยไม่ยึดถืออะไรเลยแล้วก็ก็ถามว่าไม่ห่วงเหรอหลานอ่ะโอ้ยกูไม่ห่วงมาหรอกมันไม่กินดินได้หรอกแก้าใจคิดพ่อกูเนี่ยจนกว่าพ่อมันกูไม่ห่วงมาหรอกมันไม่ต้องมันไม่กินดินได้หรอกพ่อกูจนกว่าพ่อมันก็คือไงพ่อกูก็คือพ่อแกเน่ะพราะว่าแกเป็นเจ้าไล่เจ้านา แกยังพ่อคาที่มีฐานะดีกว่าพ่อแม่แกแล้วลูกแกหลานแกแกไม่วางมาันหรอกเพราะว่าพ่อกูเนี่ยจนกว่าพ่อมันเีงเออพ่อมันนีพ่อมันยังยังรวยกว่าพ่อกูอีกันกูไม่่วงมันหรอกแล้วก็หลานไม่กินดินเลยนะแกไม่หว่วงางแล้วก็ตายละเนี่ยสิ้นห่วงสิ้นกังวลพวกเราฟังทำปฏิบัติทำแทบตายกูจะตายมีแต่ห่วงมีแต่กังวลมีแต่กลัวตายแกนี่จะตายอย่างแกก็ยังนอนไม่กลัวเลย แกไม่กลัวเลยร่างกายแกจะเป็นอะไรขนาดสีตามารับแล้วสี่ตามารับแกไม่สะทกสะทานไม่สะทกสะทานนอนจิ้มอ่านมาอ่านแล้วตบตรงนี้ตลอดเลยไหมแกคงรู้แกจะตายแล้วแกก็บุตรไม่กลัวตายเลยเพราะว่าสี่ตามารับแล้วไงต้องตายแน่นอนแล้วแกก็รู้แล้วก็พอดีแกตอนที่แกเห็นสี่ตามารับเนี่ยแกก็เห็นคนใช้แกที่แกแบ่งตุบบัตให้แกแบ่งให้ด้วยนะแกแบ่งเลยแล้วแกถามหาอยู่ทุกวัน่ะคนใช้แกไปไหนไม่เห็นหน้าเลย เอ็น่าพคนใช้เนี่ยเกลี้ยงมันจะเด็กก็ไม่มันไปไหนวะเนี่ยแกก็ถามหาไอ้คนใช้เนี่ยเกลี้ยงมันจะเด็กแล้วแกก็แบ่งเลยด้วยพอบอกว่าพอเห็นสีตาไปรับเอ้าเฮ้ยทําไมคนใช้อ่ะไปจัดที่หลับที่นอนไปจับสถานที่เอกูบนข้างบนวะเนี่ยเฮ้ยมันตายแล้วเหรอปกปิดแกตั้งนานบอกว่าไอ้วันนั้นก็เลยบอกว่าตายแล้วไอ้คนใช้เนี่ยมันตายแล้วมันโดนรถชนตายเมื่อวานนี้เองก่อนแกตายวันเดียวหรือไงเนี่ย มันนั่งรถไปกับเขากลับมารถตัดหน้าโดยรถชนในสายซุปเปอร์ไฮเว่ยนี่เนี่ยชนตูมเดียวตายเลยแล้วก็ไปนู่นนไปจัดของรออยู่ข้างบนนู่นโอ้โหแปลกมากเลยคู่บา ร, รมีกันเนี่ยแม้แต่เจ้านายกับลูกน้องเป็นบริวารกันมันก็เป็นคู่บา ร, รมีมันตามกันไปได้แปลกมากโดยอาศัยบุญบา ร, รมีของเจ้านายเนี่ยพอเจ้านายไปอยู่สวรรค์ชั้นเนี้ลูกน้องมันไปเกิดลอยก่อนแล้วไอ้คนใช้อ่ะแปลกมากเลยไปด้วยกันได้ไว้ มันตาไปรอเจ้านายเ่าบอาอ่ะมันไปจับที่กลั่ะมันตายแล้วมันตายแล้วมันบอกมันตายแล้วไม่เป็นไรตายเมื่อวานนี้มันโดนรถชนตายแล้วเออไมพูดอะไรแล้วก็มาถามมาถามมาถามพุทโธพุทโธพุทโธหมต้องพุทโธตลอดไปแกก็พุทโธพุทโธจนตายเนี่ยไม่สะทกสะทานเลยนะนึกถึงพวกเราม้างนึกถึงตัวเรามั่งทั้งสอนทั้งเล่าให้ฟังอะไรต่างเนี่ยสารพัดจะยกทุธาหอนยกตัวอย่างยกนิดยกตุ๊กตา นึกถึงตัวเราบ้างว่ะตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างว่ะทุกขณฬปัจจุบันเน่ะมันจะเอาตัวรอดไหมนะ่ะอือกลัวตายนเนตัวไม่รอดนะเห็นไหมต้องซ้อมให้ตายก่อนตายว่าถ้าเราดับตอนเนี้ยหมดห่วงหมดกังวลอะไรไหมมีอะไรไหมที่ยังห่วงมีกังวลเนี่พ่อไอติวไม่ห่วงไม่กังวลเลยไม่ห่วงอะไรเลยแกไม่พูดถึงอะไรเลยแกแบ่งหมดแล้วแกไม่ห่วงอะไรเลย เพราะว่าโชคดีที่ภรรยาแกตายไปก่อนแล้วเนี่ยแกเลยไม่ห่วงอะไรเลยแล้วลูกทั้งหมดแกก็ไม่ห่วงเพราะว่าแกแบ่งให้หมดแล้วแกก็ไม่ห่วงใครแกหมดแล้วทุกอย่างแต่พวกเราถามนี่องลองหลับตาลงทุกขณะปัจจุบันน่ะใจมันห่วงอะไรอยู่ไหมเราก็จะรู้แล้วว่ามันคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงอีกเรื่องอีกมากมายที่ยังไม่ได้ไปท<ม>ําคิดถึงอีกเรื่องที่มากหลายที่ค้าดใจอยู่ปล่อยวางอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวมันจะแพ้พอไิ้เสี้นั่นเนี่ย ปฏิบัติกันจนมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนในขนาดนี้ยังหลับตาลงครั้งใดยังไม่สิ้นห่วงไม่สิ้นกังวลมันจะแพ้พ่อไอติวแต่พ่อไอติวสิ้นห่วงที่กังวลยังไปได้แค่สวรรค์แต่เราเนี่ยปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจถึงขนาดนี้พ่อไอติวนี่มันไม่ได้ฟังทำเข้าใจถึงขนาดนี้เราฟังทำมันานกว่าเขาเข้าใจถึงขนาดนี้ปล่อยวางอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเสียท่านเนเี่ยเสียท่ายึดอะไรก็ต้องไปเกิดกับที่นั่นเนี่ยถ้าเรายึดเขาเราก็ต้องไปเกิดกับเขา น, นเนี่ย ยึดอะไรก็ต้องไปเกิดตายแล้วก็ต้องไปเกิดที่นั่นพอเรายึดอะไรก็ต้องไปเกิดจากที่น네ั่นเนี่ยจิตสุดท้ายยึดอะไรก็ต้องไปเกิดที่นั่นเนี่ยยึดหลานก็ต้องไปเกิดเป็นลูกของหลานยึดลูกก็ไปเกิดเป็นลูกของลูกยึดบ้านก็ต้องไปเป็นผีเฝ้าบ้านยึดที่ดินก็ไปเป็นงูเจ้าที่ยึดลูกยึดหลานถ้าเกิดไม่สามารถเป็นคนได้ไปเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านในเขาไปเป็นจริ้งจกตุแก่เฝ้าบ้านเขาเดี๋ยวก็โดนเขาจับไปขายเออตุแก่ก็โดนจับไปขายได้แบบนี้เออจับเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่ห่วงลูกห่วงหลานนี่แนะเดี๋ยวก็จับเอาไปฆ่าจับไปขายซะหรอกมูเจ้าที่ก็โดนฆ่าตายหรอกโมไปห่วงห่วงเขาเออมันมีบ้านด้วยอมีพระพุทธรูปโบราณเก็บไว้เป็นพระพุทธรูปสั่งสมพระพุทธรูปโบราณเก่าๆที่เป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปเลยพระพระรูปใหญ่อะพอตายแล้วต่อมาเนี่ยภรรยาก็อยู่มันรุ่นรุ่นภรรยารุ่นลูนกเลยนะไม่อยากจะขายจะได้ได้เงินมา ก็บอกขายพระพุทธรูปโบราณเนี่ยพ อ, อคนซื้อเนี่ยไปยกพระพุทธรูปแค่นั้นเนี่ยงูเห่าที่มันซ่อนอยู่ใต้พุทธรูปมันกัดโอ้โหมันมันกัดอย่างเดียวเลยอ่ะมันจะกัดอย่างเดียวมันสู้สุดชีวิตมันยอมตายถวายชีวิตแทนน่ะน่าจะไปเกิดเป็นงูเห่าเฝ้าพุทธรูปซะแล้วไม่ไปไหนเลยเฝ้าอยู่ในในใต้พุทธรูปนั้นมันห่วงมันห่วงห่วงห่วงอะไรมันก็เป็นยางหนังสะติ๊กกลับไปท่านจะรู้ได้ยังไงว่า เราจะไปไหนอะตายแล้วในขณะปัจจุบันเนี่ย huh. ท <right> ่านมาอยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตดีๆสิใจของท่านน่ยมันโดนเป็นยางหนังสติ๊กดึงดึงกระเด้งดึงกลับไปหาอะไรในในแต่ละในแต่ละวันในแต่ละขณะปัจจุบันใจของท่านแล่นออกไปหาอะไรโดนยางหนังสติ๊กอีกข้างหนึ่งมาผูกใจท่านไว้อีกข้างหนึ่งไปผูกเขาไว้อันไหนมันดึงท่านกลับไปล่ะดึงใจของท่านไปล่ะยางหนังสติกเนี่ยยางหนังสติ๊กยางกระเด้งได้เนี่ยยางที่มันยืดหยุ่นได้เนี่ย อีกข้างหนึ่งก็ผูกอะไรไว้เพื่อนก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยท่านลงมาปฏิบัติทำคนเดียวมั่งไม่เอาผัวไม่เอาเมีไม่เอาลูกงเอาหลานเอาสมบัติสาสบ้านช่องมาท่านมาอยู่ตัวคนเดียวมั่งแล้วเป็นยังไงวันหนึ่งกับมันโดนยางหนังสติ๊กันดึงกลับไปหาสิ่งนั้นเนี่ยกี่ครั้งเนี่ยปลายข้างหนึ่งของยางหนังสติกมันไปผูกไว้อะไรท่านก็จะรู้แล้วว่ะอะไรแล้วที่มัผูกใจของท่านไว้แล้วยางหนังสติ๊กอีกข้างไปผูกไว้กับอะไรท่านเนี่ย ถ้าอยู่ๆมันก็เด้งดึงกลับไปแล้วดึงดึงก็เด้งกลับไปหาแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงสามีคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงตำแหน่งลาบยกตัวบัตรประทศฐานบ้านจองคิดถึงงานมันก็เด้งกลับไปแล้วมันก็เด้งกลับไปแล้วตอนเราทํางานอยู่เนี่ยเป็นพวกสาอยู่หัวหน้าคณะเราตายแกก็ฝากมันพอดีมันเป็นเดือนทันวาค ง, งานคดีชุกมากเลยเราก็เหนื่อยมากเลยแต่แกบอกก็งงสักเฝ้าสามให้หน่อยนะ ผมเสียงไม่ค่อยดีวะเดี๋ยวผมไปแต่งเสียงห่อยเดี๋ยวผมจะมาทํางานฝากงานไว้งานเยอะมากเลยทันวาอุย้ยเราก็บนอุย้ยงานท้านงานเราก็เยอะมากแล้วทันวาเนี่แล้วท่านจะมาเอางานท่านอีกช่วยตัานเขียนงานท่านอีกโอ้ปวดหัวเยอะมากเลยทัานโกงหัวงานเนี่ยถ้าเ ก, กากลาวจะไปแต่งเสียงอ้าวเขไปแต่งเสียงไงไม่รู้หมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเสียงแผลแผลแผลแผลแผลอ้าวเป็นเป็นมะเร็งที่หลอดลมท่านก็ไม่รู้หรอก ต้อมาจะไปลงบยาบาลจะมาคุยกันเล่นกับเราเลยไอย้องสักเสียงแหบเดีย๋ยวไปแต่งเสียงหลอนนะวะเอ้เฝ้าฝากงานด้วยนะเราก็เลยพ อ, พอปรากฏว่าอ้าวไปเขาแจ้งมาอ้าวแกตายแนละ้วเราก็พูดกับลูกวัวหน้าด้วยกันอ่เอ้ยเอ้ยหัวหน้าไม่หน่ามาตายตอนงนี้เลยโอ้โหปวดงานเยอะมากเลยเนี่ยบวกงานของวัวหน้าเขาไปอีกอ่ะโอ้โหเหม็นเน่าอึบเลยในห้องอ่ะไม่ไปไหนละห่วงงานกลับมาแล้ว ในห้องเหม็นอึ๊บไปหมดเลยคุยกันอะน่าคุยกันโอ้ยหัวหน้าขอโทษขอโทษโอ้ยที่ไปบนหัวหน้าหัวหน้ามาเหม็นเน่าอึบมาเลยอ่ะตอนนั้นจะไม่รู้ว่าตายเลยซ้ำไปอ่ะพราโทรไปบอกไปถามอาจารพี่น้องโอ้โหบอกตายแล้วเพวิ่งจะตายมาเลยโอ้โหไอ้เราก็บ่นกันว่าเอ้ยหัวหน้าหัวหน้ามาป่วยตอนนี้เลยมาป่วยตอนนี้ไปเข้าโรงพยาบาลตอนนี้งานหนักมากเลย เหม็นไปพูดกันแค่นั้นมาปุ๊บเลยอ่ะโอ้โหห่วงงานเนี่ยแล้วก็พวกนั้นก็เห็นกันเรื่อยนะที่อเดินไปเดินมาในห้องทา ง, งานอะไรเนี่ยว่าไม่ไปไหนแล้วคนเรายึดอะไรไว้ก็อย่างนี้แน่ใจมันเกาะเกี่ยวห่วงแล้วก็ไปที่นั่นแน่เราถามตัวเราอยู่เนี่ยไปกี่โห น, นึงยานหนังไอ้นั่นแ น, น่ะปลายดังปลายยางหนังสติ๊กมันเด้งดึงกลับไปเน่ะมันกลับมีอะไรจะผูกพอดีปลายข้างหนึ่ง อีกข้าหนึ่งมันผูกใจเราเนี่ยผูกจิตวิญญาณเราที่จะไปเกิดเนี่ยมันกระชากกลับไปกี่ครั้งอันนั้นแนะแต่ถ้าเราเนี่ยฝึกโยมกระทั่งเราหลับไปไม่มียางหนังสติ๊กอะไรดึงไปเลยเราหลับไปได้ใจที่สงบไม่มียางหนังสติ๊กดึงไปไหนได้เลยร่างกายก็ค่อยๆปล่อยให้มันตายดับลงไปคือความรู้สึกตัวลมหายใจก็ค่อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยรับรู้ถึงลมหายใจความรู้สึกตัวก็ค่อยๆหายไปความคิด ความรึกความตึกความซองก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปปล่อยมันสังขารทั้งหมดสังขารกายสังขารจิตปล่อยมันดับไปดับไปดับไปแล้วอ่านใจตัวเองสังเกตใจตัวเองไม่ห่วงใยอะไรไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่มีอะไรที่ดึงไปไม่มีอะไรเป็นยาหนังสติ๊กดึงไปไม่ห่วงใยไม่กังวลอะไรแล้วก็ปล่อยให้สังขารกายมันดับไปสังขารจิตมันก็ค่อยๆดับไปความรู้สังขารกายก็ ลมใจเขาออกปล่อยค่อยๆดับไปดับไปดับไปปล่อยสังขารจิตคือความรู้สึกตัวและความคิดนึกตรีตองค่อยๆดับไปดับไปดับไปดไปความรู้สึกตัวค่อยเบอร์เบอรเบอเอรเบอเอร์เขิมเขิมเมความคิดนึกตรีตองค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปแล้วก็ดับเบึ้บไปต่อหน้าตานั่นแหละถ้าถึงเวลาตายก็แบบเดียกันก็ถึงแก่ความตายเวลาหลับไปก็หลับไปอย่างเนี้ดวงตาเนี่ย เคยใกล้ไปจะถึงจุดๆนั้นเลยมันจะดับแล้วจะถึงแก่ความตายแล้วจึงรู้ว่ะพูดออกมาจากใจจริงๆเลยเพราะว่าที่ตอนจะตายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนหลับกับตอนจะตายมันเหมือนกันเลยความรู้สึกตัวก็ค่อยๆหมดไปตอนนั้นใจไม่ก่อเกี่ยวไม่วงยายไม่ไม่ผัวพันไม่กังวลอะไรแล้วก็มันค่อยๆ ค, ความรู้สึกตัวค่อยๆหมดไปลไมใจค่อยๆ อ, อ่อนไปอ่อนไ ป, อ, อ, นไปอ่อนแรงอ่อนกําลังไป ก็รู้สึกตัวก็หมดไปความคิดความนึกก็ค่อยหายค่อยคอยห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปเหมือนกับไอ้ y, เครื่องบินมันบินมันบินมาทีละลำทีละลำทีละลำไอ้เครื่องบินที่เราตอนยังใ ก, ใกล้ๆยังยังรู้สึกตัวอยู่มันก็บินอยู่ในตัวเราพอเราความรู้สึกตัวค่อยๆห่างออกไปไอ้เคอไอ้ความคิดของเรามันก็ค่อยห่างออกไปห่างออกไปห่างไปเหมือนเครื่องบินที่มันบินมาหม่แต่ละลำมันห่างตัวเราไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้ลาสุดท้ายมันสุดขอบฟ้าเราเอื้อมมือก็ไปเรียกมันไม่ถึงมันไกลสุดขอบฟ้ารู้สึกเลยว่า เครื่องบินนี้ลำสุดท้ายเราก็ถึงแก่ความตายก็ปรดีมีเสียงท่านหนึ่งว่ามีเสียงอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าทําไมอ่ะจึงทิ้งลูกศิษย์ตาดําๆไว้เต็มเลยสังขารเราก็ไม่ได้ล่วงโรยถึงขั้นที่ว่าจะต้องดับไปทําไมจึงทิ้งลูกศิษย์ตาดําๆไว้เต็มเสี้ยววินทีหนึ่งทีมีความรู้สึกเมตตาสงสาร่ะแวบขึ้นมาในจิตะเราทิฏฐานจิตคืนขึ้นมาเลยแล้วก็มันก็คืนตัวกลับมา เราเลยรู้ว่าความตายกับการนอนหลับถ้าหลับไปได้ความรู้สึกตัวหมดวุ่นหมดยายหมดกังวลมันเหมือนกันใจไม่ไม่แล่นไปที่ไหนอีกแล้วไม่หุ่นยายไม่กังวลอะไรอีกแล้วแล้วก็ความรู้สึกตัวค่อยค่อห่างออกไปเมื่อความรู้สึกตัวค่อยคห่างออกไปออกไปลมหายใจก็ค่อยๆสโลดาวลงความรู้สึกตัวก็ค่อยห่างออกไปความคิดความนึกกี่อยค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปแล้วก็ดับสนิทลงันอยู่ที่ว่า ใจเราสิ้นห่วงสิ้นกังวลไหมมีอะไรที่ดึงใจเราไปไหมถ้าไม่มีห่วงไม่มีกังวลก็ไม่มีใจที่แล่นออกไปไหนก็ปล่อยวางสังขารกายลมหายใจเขาออกปล่อยมันดับไปปล่อยวางสังขารจิตคือความรู้สึกตัวและความคิดค่อยๆหมดไปหมดไปคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยค่อยๆดับไปดับไปส่วนรูปร่างกายก็คือลมหายใจก็ค่อยๆดับไปดับไปส่วนวิญญาณที่วิญญาณวิญญาณขันเนี่ยก็คือรับรู้ลมหายใจรับรู้กายรับรู้ เวทนาตัญญาสัณหาก็ค่อยๆหมดไปดับไปดับไปเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้มันค่อยๆดับไปดับไปดับไปวิญญาณขันธ์ก็เลยหมดเครื่องรู้ค่อยๆดับไปดับไปขันธ์ห้าก็เลยดับสนิทเมื่อสิ้นความปรารถนาสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความปรารถนาสิ้นความวงองใยสิ้นกังวลใจใดๆสิ้นความยึดถือใดๆก็เป็นการดับกิเลสตัณหาดับความปรารถนาสนิทไม่มีเกินเหลือจิตหรือวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆก็หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับ ความว่างเปล่าของธรรมชาติพวกที่มาเชิญวิญญาณก็หาไม่เจออีกต่อไปพวกกรรมเวททั้งหลายก็ไม่อาจหาเป้าหมายที่ให้ผลได้ก็เป็นโมฆะกรรมไปเหมือนด่งพระโคติกะท่านถระจำไม่ผิดท่านเป็นมะเร็งในกระดูกเรื่อไงไม่ทราบจะปวดทุกทรมานแสนสาหัส ด, ด้วยกรรมเก่าท่านพุทธเจ้าก็เทศโปรดสอนเทศโปรดสอนท่านแต่ท่านก็เข้าใจแล้วล่ะแต่ยังไม่ไม่สามารถรูิพพานได้ ก็ปวดทรมานแสนสาหัสพอเจ้าไปแล้วก็เอามีดมาเชี่ยดคอตายผู้ยมมาทูลเขาก็มาสองตนก็มารอเอาวิญญาณมาบอกพุทธเจ้าว่าพระคนที่กัจะเอามีดเชี่ยดคอตายให้พระเจ้าไปห้ามพระเจ้าคงเล็งยุ้ยได้ญาณของพระอง์ว่าพราะคนทีกัอย่างไรก็ต้องตายตายต้องตายวันเนี้ยเพราะว่าหมดแรงหมดกําลังหมดแล้วแต่ถ้าตายโดยเชี่ยดคอตาย ก็ปล่อยให้ตายเองถ้ปล่อยให้ตายเองเนี่ยเสียหายคือไม่รู้ปณิพานแต่ปล่อยให้เชือดคอตายจะรู้ปณิพานได้ในขณะเชือดคอตายก็เลยไม่ไม่หยอกไปห้ามถ้าคติการ์เชือดคอไปเรื่อยๆเชือดคอไปเชือดคอไปเลือดไหลนองแล้วเจ็บปวดทุกข์ทรมานก็เห็นว่าสังขารนี่เป็นทุกเป็นทุกจริงๆนี่ขนาดเนี่ต่างกายนี่เป็นทุกเจ็บปวดจนทุกข์ทรมานแล้วก็เชือดคอไปก็ทุกสังขารเป็นทุกไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นบรรลุอรหันต์ในขณะดับิน สิ้นยึดสิ้นความปรารถนาดับสนิทความปรารถนาแม้แต่การไปเกิดใหม่อีกไม่ก็ไม่ปรารถนาไปเกิดใหม่ดับความปรารถนาสิ้นยึดสิ้นปรารถนาแม้แต่การเกิดใหม่ก็ไม่ปรารถนาไปเกิดใหม่ก็เมื่อสิ้นความปรารถนาสิ้นยึดสิ้นอยากก็บรรลุพันิพภานพร้อมกับความตายพอตายแล้วพวกยมบาลที่มาหล่อวิญญาณอยู่อ่าพากันหาจิตวิญญาณของพระโคติกะไม่เจออ้า นในในปกติถ้าถ้ายังไม่รู้พ่านิพานเนี่ยยังไม่สิ้นยึดเนี่ยต้องฆ่าตัวตายเงี้ยต้องอาไปลงโทษในนรกแล้วต้องมาเกิดใหม่ต้องฆ่าตัวตายฆ่าร้อยชาติถ้ามาเกิดเป็นคนเมื่อไหร่ต้องฆ่าตัวฆ่าตัวตายฆ่าร้อชาติต้องผลดองกรรมนี้อ้าหายยังไงหางไม่เจออ้าจิตวิญญาณของพระโคติกาหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยไปกราบทูลถามพระเจ้าว่าจิตวิญญาณของพระโคติกาหายไปไหนพระเจ้มมาแต่ว่าจิตวิญญาณของพระโคดิกะพระโคดิการบรรลุพ่านิพานแล้วสิ้นความยึดมั่นถือมั่นแล้ว จิตวิญญาณดับไปเหมือนด่งเปลวไฟที่สิ้นเชื้อหรือเหมือนด่งเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าถูกเป่าดับพึมหายไปเชนี้นี่แน่ที่พวกเราปฏิบัติมาทั้งหมดก็เพื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องให้มาถึงจุดนี้ก่อนที่จะตายต้องฝึกตายก่อนตายในขณะที่จะหลับทุกขณะปัจจุบันนี่แนต้องสิ้นห่วง สิ้นกังวลสิ้นยึดถือสิ้นเยื่อใยอะไรอววรแล้วก็ปล่อยให้ลมหายใจคือร่างกายและจิตใจคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกตัวสัญญาสังขารคือความคิดความจําความคิดค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปเพื่อความรู้สึกตัวหาเวทนาห่างออกไปห่างออกไปสติสัมปจ ญ, ญิยคือความรู้สึกตัวค่อยๆห่างออกไปห่างออกไป พรสติสมาธิปัญญาสมาัสมป ช, ชัญญะสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวก็เป็นสังขารในขันธ์ห้ามันก็ดับเหมือนกันค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปแต่เวทนาทั้งหลายนี่ยเริ่มไม่รับรู้แล้วเพราะาร่างกายไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดแต่เหลือจเจวทนาก็คือเวทนาที่มีความทุกข์ทางจิตที่ยึดถือนะนะั่นแหละถ้าไม่มีความยึดถือทางจิตแล้วเวทนาทางจิตไม่มีเวทนาทางใจไม่มีาามีแต่เวทนาทางกายเมื่อตอนจะตายเวทนาทางกายหมดร่างกายไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกเวทนาก็เลยดับไปหมดแล้ว เมื่อเป็นพระหลานแล้วสิ้นความยึดถือแล้วเวทนาทางจิตก็ไม่มีเพราะเข้าไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจดั้งเดิมแท้จะมีแต่ความว่างเวทนาในจิตเดิมแท้หรือในใจที่ว่างเปล่าไม่มีดนั้นเวทนากายเวทนาจิตไม่มีก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวกับสัญญาและความคิดแล้วก็วิญญาณคือการรับรู้ว่าบัดนี้ลมหายใจจะดับแล้วคือรู้ลมหายใจวิญญาณที่มาลูกายคือรู้ลมหายใจก็ออกวิญญาณมารับรู้ความคิดสัญญาความคิด ความคิดก็ค่อยๆห่างออกไปวิญญาณมารับรู้สติสมัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปเมื่อหมดลมหายใจหมดความรู้สึกตัวหมดสัญญาหมดความคิดแต่เวทนานมันดับไปหมดแล้ววิญญาณก็หมดที่จะรับรู้เพราะประตูที่จะรับรู้ดวงตาหูมจมูกมูกากใจดับหมดแล้ววิญญาณก็เลยดับไปด้วยขันห้าก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือรวมทั้งจิตและวิญญาณที่ปรุงแต่งก็ดับพร้อมนั่นแหละ จัญญาณเยหายตัวไปเหมือนด่งเปลวไฟที่ตินเชือ้อการปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยที่หลวงปู่ดูลยนัตุโลว่าเราปฏิบัติมาก็เพื่อมาถึงจุดนี้เข้ามาถึงมหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมกลับคืนสู่จักรวาลเดิมเรามาจาับจักรวาลเดิมมาจากความว่างเปล่าแล้วก็ปรุงแต่งมาเป็นพลังงานคือมีเวทนาสัญญาทั้งขาวิจญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ก่อรูปร่างขึ้นมาเป็นสสารคือร่างกาย เวลาตายแตกดับสสารก็ดับพลังงานการพัฒ น, นาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับขันธ์หน้าดับสนิทกลับคืนสู่จักรวาลเดิมหรือปุรุณอตุโลว่าเราปฏิบัติสะสะมาตลมดก็คือเพื่อมาถึงจุดนี้คือมหาสุนิตาหรือจักรวาลเดิมหรือเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าดับขันธบริภานนิพพานที่พระพุดุลอตุโลทําให้ดูว่าพระพุทธเจ้าทุกพระอ ง, งค์ไม่ดับขันธในรูปฌานและอนรูปฌานดับในสภาวะปกติหรือเหมือนด่าพระโคติกาที่ดับ จิตวิญญาณหายตัวไปกลับคืนสู่จั ก, กรวาลเดิมหายกลับคืนไปเป็นหนึ่งเดียวกับมหาสุญญตาหรือจั ก, กรวาลเดิมหายไปดังเปรีวไฟซี่ทิ้นเชื้อเราปฏิบัติไปทั้งหมดก็เพื่อมาถึงจิตนี้เอดังนั้นต้องฝึกตายก่อนตายให้สิ้นเยื่อใยสิ้นความห่วงสิ้นพวงใหญ่สิ้นกังวลสิ้นความจิตมั่นถือมั่นใจไม่กังวลไม่กังวลไม่เกาะเกี่ยวไม่ผัวพันสิ่งใดปล่อยวางพร้อมอิทธิพูดุณัตโรว่า ยุดเท่งยุดทิจารณาหยุดกำหนดหยุดบริกรรมหยุดพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรยึดกิริยาจิตปล่อยวางความห่วงใจความกังวลความจิตบั่นถือบ้านใดๆหมดสินไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยแล้วก็ modo, ค่อยๆรับรู้ร่างกายกับรับรู้จิตใจของตนเองปล่อยวางร่างกายจิตใจของตัวเองก็คือปล่อยวางร่างกายก็คือค่อยๆปล่อยวางลมหายใจให้มันค่อยๆดับไปดับไปดับไปไม่ห่วงไม่กังวลสังขาดร่างกายปล่อยวางจิตใจก็คือ ที่เหลือแล้วก็คือเวทนามันดับแล้วร่างกายไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดเป็นปรหานแล้วในใจไม่มีเวทนาเวทนามันดับไปแล้วก็เหลือแต่สัญญาสังขารคือความคิดก็เลยเหลือแต่สติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเป็นความปรุงแต่งอยู่สังขารก็คือความรู้สึกตัวและความคิดค่อยๆดับไปห่างไปค่อยๆเบอร์เบอร์เบอร์เบอร์ความรู้สึกตัวค่อยห่างไปห่างไปความคิดก็เลยห่างไปด้วยห่างไปด้วยห่างออกไปค่อยหายไป วิญญาณก็หมดที่จะรับรู้เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งประตูทั้งหมดดับแแหวิญญาณก็หมดเครื่องรับรู้แล้วก็หมดประตูทวานที่จะไปรับรู้ก็ดับพร้อมไปด้วยจิตเป็นการดับขันห้าสนิท ด, ดับความยึดมั่นถือมั่นด้วยจิตวิญญาณก็เลยหายตัวไปนี่แนะการปฏิบัติมาทั้งหมดก็เพื่อมาถึงจุดนี้ต้องซ้อมในขณะที่นอนหลับทุกขณะปัจจุบันแม้แต่ในขณะที่ไม่นอนหลับก็ต้องซ้อมซ้อมรับ นั่งหลับนอนหลับสอนไว้ดูที่ว่าหลับตาลงไปหลับสนิทไหมหรือหลับแต่ตาแต่ใจไม่หลับไม่ดับสนิทจากความจิตมั่นสจมั น, ม น, มนที่เนี่ยดวงตาก็สอนต่อไปหยับยาบจนถึงละเอียดจนถึงที่สุดสอนจากที่สุดกลับมา่านกลางถอยลงมาตูหยับยาบแล้วก็ถอยกลับขึ้นไปไปถูกความถึงที่สุดว่าจะจบลงอย่างไรในการปฏิบัติ ให้ท่านมองเห็นหนทางชัดเจนในใจของท่านเหมือนกับกู o g l e แ a p ที่ชันใช้อะไรนะเวลาเดินทางใช้เขาเรียกอะไรนะสัญญาณ g ู o g l e แ a p เนี่ยเนาะและ GPS นี่ที่ท่านจะใช้สัญญาณเดินทางไปไหนก็ชัดเจนแผนที่ชัดเจนในใจของท่านว่าที่สุดแล้วทุกคนจะจบลงอย่างไรต้องจบตรงให้ได้ก่อนที่ ลมหาใจเบือกสุดท้ายมันจะดับลงเหมือนการเดินทางมาหาลุงตาที่เนี่ยที่สวนธรรมแด่ี่หาสิงห์บุรีท่านจะต้องไม่ตายกลางทางจะต้องมั่นใจว่าเดินทางมาถึงที่หมายปลายทางแล้วถึงตายต้องตายก่อนตายถึงที่หมายปลายทางก่อนตายไม่ใช่ตายเสียกลางทางเหมือนกับหลายคนมาที่นี่โดยใช้ G.P.S. Google Map เนีทางหนทางของตามบอกไว้ให้หมดแล้ว ตามที่พุทธเจ้าสอนหลวงตาก็บอกจากประสบการณ์ตรงเหลือพวกท่านแลละจะต้องนำไปประสบการณ์นี้ไปเป็นของพวกท่านเองให้ได้แล้วท่านก็บอกเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้แก่ลูกศิษย์และผู้ที่อยู่เบือ้องหลังต่อไปส่วนเราก็ดับสนิท ม, มีส่วนเหลือจิตวิ ญ, ญญาณดั้งเดิมแต่แท้ก็หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจั ก, กรวาลเหมือนดังจิตวิ ญ, ญญาณของพระโคติกะนั่นแหละ การสอนก็คือการบอกเล่าประสบการณ์ตรงพุทธศาสนาคือการบอกเล่าประสบการณ์ตรงของตนเองหรือเรียกว่าเส้นทางพ้นทุกข์ของตนเองที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นอย่างไรบอกเล่าให้ผู้อื่นฟังเราฟังเส้นทางพ้นทุกข์มาจากคําสอนพองพระเจ้าไม่ว่าจากที่ใดที่เป็นคําสอนพระเจ้าแล้วก็ฟังจากหนังสือจากตาําราจาับปฏิบอดแล้วก็มาฟังจากครูบาอาจารย์และที่ตุดแล้ว ท่านก็ บ, บอกครูบาอาจารย์แต่ละท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านเมื่อท่านรูุ้อรหแล้วท่านก็ บ, บอกเล่าประสบการณ์ให้ท่านฟังเส้นทางเดินของท่านแต่เราเนี่ยจะไปเอาเยื่อหยางพุทธองค์หรือพระอาหารหันต์คือเดินเส้นทางแบบของท่านเป๊ะเลยมันเกิดไม่เป็นไปหรอกเราก็เอามาทําปฏิบัติตามคําสอนนี่แหละแต่ดูท้ายพอเราถึงทางพ้ทุกข์แล้วมันก็เป็นเส้นทางของเราจะประสบการณ์เราโดยตรง แต่มันก็มาจากตำธรรมคาสอนของพุทธเจ้าในแนวที่พระองค์ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรงของพระองค์แล้วเรามาอัดเดมาปรับปรุงเป็นของของเราในเส้นทางเราที่เคยเดินทางมาแล้วเป็นกลับเป็นการหลายภพหลายชาติเป็นกลับๆหลายกลับหลายกันเราเดินทางมาหมดแล้วเกิดตายเกิดตายมากระดูกกองทัพภูเขาแนะน้าตาที่มีแต่ความทุกข์ก็เนินนองดุดท้องทะเลมมหมาสมบุรแล้วพระเจ้าตัดเราจะต้องเกิดตายเกิดตายอย่างนี้ติดนานเท่าไหร่ บันนี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วมีครูบาอาจารย์สอนแล้วเส้นทางเดินสู่ความพ้นทุกข์ก็ชัดเจนในใจแล้วเหมือน Google แ a p เหมือน GPS เอแล้วแต่บอกยังไม่พร้อมที่จะเดินทางยังไม่พร้อมที่จะเดินทางเส้นทางดูก็รู้หมดอะว่ามันอยู่ตรงไหนกูเกิลเขาอะไรนะเขาเขาเรียกอะไรนะแชร์โลเคชั่นไปเรียบร้อยแล้วแชร์กโลเคชั่นไปเรียบร้อยแล้ว รู้หมดเลยแต่ไม่เดินทางยังไม่พร้อมคนอื่นก็พยายามบอกพยายามชวนกาลยานามิทย์ก็พยายามชวนมาเฮ่อมาฟังธรรมให้พ้นทุกมาปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมตายก่อนตายเสียก่อนแล้วหลายคนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมผมยังมีเรื่องมากหลายที่จะต้องทำยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอ่ า, ววาจะมาตายก่อนแล้วเห็นไหม กูเกิลแมปก็มีอยู่แล้วทีพเอก็มีแล้วโลเคชั่นลุงตาก็แชร์ให้แล้วเนี่ย <c oughs> พวกเรามีอยู่แล้วในมือในใจของพวกเราเนี่ยรู้หมดแล้วเหลือแต่จะเดินทางมาหรือไม่อันนั้นจะเดินทางไหมล่ะเส้นทางมรดกพันมันก็ชัดเจนหมดแล้วรู้จุดหมายปลายทางรู้จุดจบรู้เส้นทางการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ โชคดีที่ไม่พีกนพิการโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ที่พบพุทธศาสนาที่ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในยุคนี้ก็ยังมีพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่หลายองค์โชคดีที่มีผู้สอนทำเราแต่มันจะเป็นโชคร้ายตอนจบหรือเปล่าคือโชคดีมีกูเกิลแมปหมดเลยและโชคดีก็แชร์โลเคชั่นนี่ผ่านไปให้จบหมดแล้ว แต่โชค้ายคือยังไม่ได้เดินทางยังผัดปานประการพุ่งยังยังยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาผัดปานประการพุ่งอยู่แล้วเนี่ยที่สุดตายไปก่อนเลย mm hmm. พอสุดท้ายเกิดมาไรประโยชน์เลยไรค่าเลยเพราะอะไรอุตส่าห์เกิดมาเป็นคนยากที่สุดในโลกพุทธเจ้าว่าโอกาสจะกลับมาเป็นคนยากที่สุดในโลกและเป็นคนยังพบพุทธศาสนาที่ทันมีอรหันต์อยู่ในโลกและยังมีผู้สอนอีกด้วยมีผู้ชี้แนะ ที่ผู้แชร์โลเคชั่นให้จำจี้จำใจให้เจ้ายัางไงโอ้ยคุณตายไม่เอาเลยสักอย่างเดียวตายไปก่อนแล้วโอ้โหเกิดมาเสียชาติ จ, จริงๆเลยโมฆะจริงๆเลยโอกาสจะได้กลับมาเป็นอย่างเนี้ยมีโอกาสอีกไหมล่ะที่จะได้เกิดมาเป็นมนรรมุษย์เจ้าวะไปแค่เป็นมนุษย์อย่างเดียวอย่างยากที่สุดในโลกแล้วอนเต่าตาบอดสองข้างอยู่ก้นมหาสมุทรลึก100ร้อยปีโผล่มาหาใจครั้งหนึ่งคนบนโลกนี้พยายามจะ โยนแอกที่มันมันสวมไม้เหมือนไม้ง่ามที่สวมคอเต่าได้พอดีลงไปในน้ำทะเลลงไปในน้ำมหาสมุทรหากร้อยปีเต่าตาบอดสองกาอนั้ น, น่ะขึ้นมาแล้วก็ได้สวมคอแอกก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งแต่เพรค์ว่ามันจะได้ไหมล่ะเพราะว่าลมบกลมทะเลขึ้นในท้องมหาสมุทรมันซัดพัดพาไปหมดแอกไม้แอกที่โยนลงไปจนแทบจะไม่มีเหลือไม้แอกอยู่เลย โอกาสที่เต่าตาตอบอดสองข้างโพล่หนึ่งร้อยปีโพมาหายใจครั้งเดียวจะได้มีโอกาสคอเต่าสวมแอกได้ไหมแน่นแน่โอกาสที่พวกเราทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายตายแล้วโอกาสจะได้กลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยปีที่เต่าตาบอดสองข้างเนี่ยโผล่มาหายใจแล้วจะได้สวมคอแอกได้เอาคอสวมแอกได้นไหะเราจรึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งครูเจ้าวะจะมีโอกาสไหมนะมันจึงยากที่สุดในโลก เพราะหนึ่งร้อยปีโผมาหาใจเพียงครั้งเดียวเราหนึ่งร้อยปีผ่านไปพาได้สวมขอแอกเต่าสวมขอแอกได้คือพวกเราเนี่ยมันเต่าตาบอดที่สวมขอแอกได้นั่นแหละสิ่งจะได้กลับมาเกิดเป็นคนครับหนึ่งร้อยปีผ่านไปหรือเป็นอีกหนึ่งร้อยปีหรือเป็นอีกหนึ่งร้อยปีเป็นอีกหนึ่งร้อยปีไม่ได้สวมแอกสักทีกระตัวเรานั่นแหละจะโทษใคร เกิดเป็นมนุษย์พบสมบูรณ์บริบูรณ์พบพุทธศาสนาอารหันต์ก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ผู้สอนก็ยังมีแต่ตัวเราไม่เอาเองแล้วจะโทษใครด้วยไม่ได้น่าเล้วยไม่ได้พะพุทธเจ้าตรัสว่าสถาคตเป็นเพียงผู้บอกผู้ชี้ผู้แนะแต่การเดินทางของท่านในอริยามรรคในองค์แปดคือสติสติสมาธิปัญญาและความเพียรต้องเป็นเรื่องของพวกท่านทั้งหลาย